สิ่งเจียอยู่อ่สิ่งนี้พวกชยัยตามธรรมเนียมเนาะมีใครไม่เคยมาไหมมียกมือให้หลวงพ่อดูหนะ่อยเอาเยอะนะใครเขาหลอกมาคนที่มาครั้งแรกได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาก่อนนีนยังได้ฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วจะช่วยทุ่นแรงในการพูดกันได้เยอะเลย บางคนมาครั้งแรกก็ไม่ได้มาเรียนละออกมาขอบคุณหลวงพ่อจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเต็มที่บางคนก็ต้องมาปรับนิดนิดหน่อยหนจริงๆแล้วไม่ยากอะไรให้รู้สึกตัวให้เป็นก็นแล้วกันจุดแรกเลยต้องรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนในโลกเต็มไปด้วยคนลืมตัวคนลืมตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เอง รู้สึกตัวก็คือรู้กายรู้ใจได้ไม่ลืมกายไม่ลืมใจถ้าเมื่อไรลืมกายลืมใจก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวขาดสติเมื่อไรรู้สึกกายเมื่อไรรู้สึกใจกเรียกว่ามีสติถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจการเห็นความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าวิปัสสนาความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นคือตัวปัญญา การทำมิปัสนา Word, แล้วจะได้ปัญญ า, ารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายรู้ใจไปนี่เรียกว่ามิปัสนานเห็นความจริงของกายของใจความจริงของเขาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ามีปัญญาปัญญาไม่ใช่เรื่องอื่นปัญญาอย่างโลกโลกก็เป็นอย่างหนึง่งปัญญาในการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างหนึง่งปัญญาในการปฏิบัติธรรมนี่คือการเห็นกายเห็นใจเขาเป็นไตรลักษ ถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์นะเขาไม่ใช่ตัวเราเราจะล้าความเห็นผิดวมื่อกายกับใจเป็นตัวเราได้เพราะเวลาเขาไม่เที่ยงเนี่ยมันก็จะแสดงความไม่ใช่ตัวเราออกมาของมันเคยมีแล้วมันไม่มีของไม่เคยมีมันเกิดมีขึ้นมานี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงเช่นเรานั่งอยู่แล้วเดี๋ยวรูปนั่งก็หายไปนะต้องไปยืนเดินนั่งนอนอะไรน่เปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยทาไมอิริยาบถมันเคยมี นั่งอยู่แล้วรูปนั่งมันเคยมีมันหายไปมันกลายเป็นรูปยืนอย่างนี้นี่เพราะมันไม่เที่ยงใจ a, <Yeah. S 1> ใของเราเคยมีความสุขความสุขก็หายไปนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงเคยมีความทุกข์แล้วความทุกข์หายไปนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือสิ่งทั้งหลายมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดกจะดับก็หมายความว่าสิ่งซึ่งเคยมีอยู่มันไม่มีสิ่งที่ไม่เคยมีมันเกิดมีขึ้นมานี่เรียกว่ามันไม่เที่ยง เราก็จะเห็นแต่ว่ามีแต่ของเกิดดับเกิดดับไปไม่มีตัวตนอะไรที่เที่ยงแท้ถาวร น, นี้ล่ความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้บางคนไม่ถนัดที่จะดูความไม่เที่ยงดูความเกิดดับไม่ถนัดนะก็เห็นกายเห็นใจมันถูกความทุกข์บีบคั้นไปเรื่อยๆถูกความทุกข์บีบคั้นมันทนอยู่ในสภาวะอันแดอหนึ่งไม่ได้อย่างนั่งนานๆมันก็นั่งอยู่ไม่ได้มันทรมานนะนอนนานๆก็ทรมาน ยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้านะเต็ไมไปด้วยความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นถูกความทุกข์เสียดแทงอยูนะ่หรือจิตใจนะก็ทนอยู่ในภาวานะอันแดนหนึ่งจริงไม่ได้อย่างอุตส่าห์ประคองจิตไว้จนนิ่งเลยจิตมีความสุขมีความสงบเสียแล้วก็อยู่ไม่ได้นะมันก็เสื่อมไปการที่เราเห็นว่าเออทั้งกายทั้งใจนี่นะมีแต่สภาพที่ถูกบีบคั้นเสียดแทงมีแต่ความเสื่อมสลายไปเรื่อยๆนะนี่เรียกว่าเห็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแล้วมันก็เป็นตัวทุกมีแต่ความทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยดูอย่างนี้ก็ได้ก็จะล่าความเห็นผิดว่ากายกายใจเป็นตัวเราได้เหมือนกันหรือบางคนก็ดูในมุมของอนัตตานะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้เป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูนะรูปที่เดินรูปที่ยืนรูปที่นั่งรูปที่นอนเป็นของถูกรู้ถูกดูเนะี่ย รูปที่พองรูปที่ยุบเป็นของถูกรู้ถูกดูรูปที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งซึ่งจิตไปรู้มันเข้าเห็นว่ามันไม่ใช่เราในการที่เห็นว่าไม่ใช่เราคือเห็นอนัตตานี่นเองหรือจิตใจจิตใจเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันเองมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วเราเลือกไม่ได้ มันจะวิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูหรือวิ่งไปคิดเนี่ยเราเลือกไม่ได้มันเป็นไปเองการที่เห็นว่าเราเลือกไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เราไม่มีอำนาจเหนือนเหนือนจิตใ จ, จตัวเองอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือการเห็นจิตเป็นอนัตตานั่นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นกายเห็นจิตเนี่ยด้วยไตรลักษณ์เพียงมุมใดมุมหนึ่งก็จะสามารถละความเห็นผิดว่ากายกับจิตเป็นตัวเราได้ เวลาเห็นเห็นมุมเดียวก็พอแล้วแต่เวลาปฏิบัตินะบางครั้งมันก็พลิกไปพลิกมาบางครั้งก็เห็นอนิจจังบางครั้งก็เห็นทุกขังบางครั้งก็เห็นอนัตตาพลิกไปพลิกมาได้แต่เวลาที่จะตัดสินความรู้นะมันจะเข้ามุมใดมุมหนึ่งตามจริตนิสัยของคนอย่างพวกสมาธิแก่กล้าที่เห็นทุกถ้าไม่เห็นทุกก็ไม่ยอมวางมันจะเห็นแต่สุขทําสมาธิแล้วสุขมันเยอะพวกปัญญากล้าต้องเห็นอนัตตานะ ถ้าไม่เห็นอนาัตตาก็เอาไม่ลงใจมันไม่ลงนี่ต้องดูเอาคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจคอยรู้สึกเอาไว้ใจของคนทั้งโลกใจของสัตว์ทั้งหลายมันลืมตัวตลอดเวลาลืมกายลืมใจตลอดวันอยู่คนเดียวก็นั่งเม่อๆอไปคิดก็คุยนะคิดนั้ก็คุยกับตัวเองนะเสร็จแล้วจะไปคุยกับคนอื่นก็คิดไปคุยไป มองหน้าเขาบ้างคิดบ้างคุยบ้างเผเผลอเพลิเลเลเลนเปนไปมันมีแต่เรื่องลืมกายลืมใจทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้หาคนที่รู้สึกกายหาคนที่รู้สึกใจนี่ยากเต็มทีนับตัวได้แต่ก่อนหายากเดี๋ยวนี้ชักไม่ยากละมาอยู่ที่นี่เยอะมากเลยคนที่รู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อก่อนหลวงพ่อตะเวนไปมากนะก่อนจะบวชเนี่ยเที่ยวไปตามสำนักปฏิบัติทั้งหลายเที่ยวไปเยอะแยะเลย พบว่าผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดนติดสมถะกระทั่งสำนักที่บอกว่าจะทําแต่วิปัสสนาล้วนๆเอาเข้าจริงก็ติดสมถะมีแต่การเพง่งการกําหนดการประคองการควบคุมการบังคับการกดขม่มข่มกายข่มใจประคองกายประคองใจกําหนดกายกาหนดใจมีแต่เข้าไปแทรกแซงทั้งสิน้นหาคนที่รู้สึกตัวนี่ยากแต่มาบวชทีแรกนะยังมาคุยให้ญาติโยมฟังว่าในโลกไม่มีคนรู้สึกตัว ในโลกมีแต่คนหลงถ้ารู้สึกตัวนะโลกจะไม่ขาดจากพระอริยะเจ้าเลยถ้ารู้สึกตัวเป็นมันก็จะเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงของกายของใจนะรู้ว่าไม่ใช่เราได้พระโสดาบันแต่ถ้าทิ้งกายทิ้งใจไปเพ่งกายเพ่งใจกําหนดกายกําหนดใจไปมันใช้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญามันแต่มีแต่ความสงบเงั้นผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ติดอยู่แค่ความสงบเท่านั้นเอง ไม่สามารถก้าวขึ้นมาสู่การเจริญปัญญาได้พอจิตใจสงบพอสมควรแล้วนะมันเกิดอาการของปีติขึ้นมาเช่นขนลุกขนชันนะรู้สึกอาการวูบวูบวาบๆานบะความรู้สึกวูบวาบขึ้นมารู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวหนักนะมีหลายแบบบางคนก็รู้สึกตัวใหญ่บางคนก็รู้สึกตัวเล็กตัวใหญ่ในบางที่ใหญ่เป็นภูเขาเลยทั้งใหญ่ทั้งหนักนะคนก็รู้สึกตัวเบาลอยระล่อง บางทีก็รู้สึกเหมือนมาแรงมาไต่ตามผิวหนังมาแรงตัวเล็กตัวใหญ่มาไต่นี่เรากลับไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นมิปัสนายานแท้จริงเป็นอาการของปีติที่เกิดจากการทำสมถะทั้งสิ้นเลยมิปัสนายานจะไม่มีอาการพิควนพิการทางร่างกายเพราะยานเป็นชื่อของปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจต่า ง, งเข้าใจอะไรเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี่ถึงจะเป็นมิปัสนายานแท้แท้ ไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นด้วยนะไม่ใช่เข้าใจว่าโอ้เทวดามีทั้งหมด6ชั้นเนี่ยนรกมีทั้งหมด8ขุมใหญ่แต่และขุมเนี่ยมีนรกเล็กๆแวดล้อมรู้อย่างนี้ไม่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตัวเองว่าเป็นไตรลักษณ์มีจำกัดอยู่เท่านี้เองต้องเป็นไตรลักษณ์ด้วยไม่ใช่รู้กายรู้ใจเฉยๆไม่ใช่รู้ว่าฉันเป็นคนใจดีนี่อย่างนี้ไม่เรียกว่าวิปัสสนา แต่ถ้าเห็นว่าความใจดีมันผุดขึ้นมาเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วหายไปอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาหรือมองไปเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมนี่ไม่ใช่วิปัสสนาเห็นหมารู้ว่าหมาไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นแมวรู้ว่าแมวไม่ใช่วิปัสสนามองเห็นพัดลมเห็นหมาเห็นแมวรู้ว่ามันเป็นรูปเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่ตาไปมองเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ อนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาได้เป็นความรู้สึกนะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เห็นคนก็ไปชี้หน้านะคุณไม่ใช่คนหรอกคุณเป็นรูปถูกเขาชกสิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คิดเอาต้องรู้สึกเอารู้สึกรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกเร้่ๆวันหนึ่งก็เข้าใจธรรมะไม่ยากนะไม่ยากถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากถ้าทาผิดนะทายังไงก็ไม่สาเร็จ ส่วนมากทําผิดนะชอบไปเพ่งเอาดูท้องพองยุบก็เอาจิตไปแนบไว้ที่ท้องนิ่งๆได้สมถะไปเดินจงกรมยกเทา้าย่างเทา้าเอาจิตไปแนบไว้ที่เทา้าจิตไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวคืออยู่ที่เทา้าเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์คือเทา้าการเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌันเป็นการทําสมถะกรรมฐานส่วนการรู้ลักษณะคือความเป็นตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาเรียกว่าลักขนูปนิชฌัน นะการเพ่งเล็งไปรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมาทําไมต้องของรูปนามนะเพราะว่า ส, สิ่งที่เป็นรูปนามเนี่ยมันมีไตรลักษณ์สิ่งที่เป็นความคิดสมมุติบัญญัติมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูมันะคิดไปได้ทั้งวันนะอย่างเราคิดว่าเราชื่อแตว๋วสมมุตินะเราชื่อนางสาวแตว๋วมันก็แต๋วมาทั้งชาตินะไม่เห็นมันไม่เที่ยงตรงไหนเนละนะไปเปลี่ยนชื่อนะไปเปลี่ยนชื่อเราก็รู้สึกเราบังคับได้ไหม แทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้ก็เห็นบังคับได้เพราะฉะั้นตัวสมมติบัญญัตินั้นไม่มีตไตรลักษณ์ให้ดูจริงหรอกต้องดูกายดูใจแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครเห็นสมมุติบัญญัติเป็นตัวเราสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราอย่างแท้จริงคือกายกับใจรูปกับนามเาฉะนั้นต้องรู้ลงที่รูปรู้ลงที่นามแล้วเห็นมันเป็ น, นไตรลักษณ์ถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราฝึกนะตั้งเป้าให้ถูกถ้าตั้งเป้าของการปฏิบัติผิดการปฏิบัติจะล้มลุกลุกลครานไปเรื่อยๆรู ป, ร, ไ ป, ไปรูรปรำครล เรียกว่าไม่เข้าเป้าจะตีหัวใครสักคนนะั้นต้องตีให้กลางกระหม่อมนะย่งไปตีแขนตีขาตีนิ้วมันอย่าเมื่อไหร่จะชนะจะสู้กับกิเลสจะภาวนาให้มันแตกหักนะต้องสัดเป้ามันเลยเป้าหมายแรกของการปฏิบัตินะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้พระโสดาบันคือผู้ละความเห็นผิดเมื่อกายกับใจเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นต้องศึกษาลงที่กายศึกษาลงที่ใจเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นด้วยนะ ไม่ใช่ศึกษาที่อื่นต้องศึกษาที่กายศึกษาที่ใจให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์มันเป็นของที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาดันั้นต้องดูลงเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นกายเห็นใจก็ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเห็นกายเห็นใจแล้วยังไม่ใช่ไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสสนาเพราะงั้นบางคนไปรู้กายรู้ใจแล้วคิดว่าทําวิปัสสนาแล้วเนี่ยไม่ได้ทําวิปัสสนาจริง ยกตัวอย่างไปรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะรู้ลมไปเรื่อยๆนี่บอกว่าลมเป็นส่วนของร่างกายได้ทำวิปัสสนาแล้วนี่ไม่ใช่ถ้าทำวิปัสสนาจริงๆจ ะ, phrase, ง จ, จะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เห็นว่ากาํ า, า, ากลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกถ้าเห็นว่ากาลังหายใจเข้ากาลังหายใจออกเป็นแค่สมถะจิตจะได้แค่สมถะหรือดูท้องผ่องยุบนะ ถ้าจิตของเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเป็นสมถนะถ้าเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบจิตมันเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนายืนเดินนั่งนอนอยู่นะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่รู้มันกระดุกกระดิกรู้หมดเลยนี่สมถะนะสมถะเพ่งใส่มือไว้ใส่ลงพรอเทียนรุ่นหลังๆเยอะนะขยับมือเพ่งใส่มือไว้นี่สมถะนะจิตจะนิ่งถ้าวิปัสสนาล่ะ เห็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราคนละเรื่องกันนะไปเพ่งนิ้อเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมอะไรนี่เพ่งอิริยาบทสีนี่ไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นกายมันไม่ใช่เราเห็นจิตมันไม่ใช่เราถึงจะเป็นวิปัสสนาของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เลยไม่ใช่เราเทศได้15นาทีฉลองตรุษจีนตัวจีนตรุษไทยหลวงพ่อกระเทนเหมือนกันทุกวันนะ เพราะธรรมะนี่เป็นอากาลิโกเหมือนกันทุกวันไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเวลาอเชิญพวกอยู่วัดส่งกันบ้านแก้วก็เวลาที่สติเกิดรู้สึกเหมือนปลาเป้าอะค่ะส่วนมากเนี่ยจะพาดไอ้ตรงโบว์ายไปนิดนึงไม่เพ่งก็ปรุงไม่ปรุงก็เหมือนรู้สึกยังรู้ไม่ชัดนานๆครั้งเ็าจะรู้สึกว่าเข้าเป้าทีเวลาที่เข้าเป้าเนี่ยจะรู้สึก อย่างเมื่อวานนี้ค่ะเหมือนภาพมันสโลโมชันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าที่จิตไหลไปทางตาเนี่ยแปลว่าอะไรเห็นภาพต้นหูกระจงเป็นต้นไม้ที่แก้วชอที่จริงนะมันไม่ใช่สโลโมชันมันก็เคลื่อนไหวด้วยอัตราปกติแต่สติเราเร็วมันชัดสติเราเร็วเราเห็นเป็นชอตๆให้ขยับปุ๊บๆไปแล้วก็เห็นปุ๊บ ก็เห็นว่ามันว่างๆภาพที่เห็นไม่มีอะไรแล้วจิตมันก็เริ่มคิดแล้วแล้วก็กลับมาเห็นเป็นภาพอีกแล้วจิตก็เริ่มคิดอถูกต้องเห็นไหมตามองเห็นอะไรตามองเห็นภาพภาษาแขกภาษาอภิธรรมเรียกตามองเห็นรูปเฉยๆแต่ไม่ใช่ตามองเห็นต้นไม้ตาไม่ได้มองเห็นอะไรตามองเห็นรูปดังน้นตาก็มองแค่เห็นรูปเสร็จแล้วจิตมันคิด นะตรงที่จิตมันคิดเนี่ยมันถึงจะแปลความหมายของรูปที่มองเห็นออกมานี่ต้นไม้พอแปลได้นะเริ่มให้ค่าอีกอู้วสวยนี่ไม่สวยพอสวยไม่สวยเกิดขึ้นมาก็ เ, าเกิดชอบเกิดไม่ชอบขึ้นมานะเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมานี่นะตรงนี้แหละกิเลสมันเกิดแล้วงนะั้นเราก็มีสติพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บถ้ากระทบแล้วมันจบลงแค่กระทบก็ไม่ว่ามันไม่ได้จงใจ ห้ามจงใจนะบางคนทําผิดพรตามองเห็นแล้วรีบไปกําหนดไว้ที่ตาไปเห็นหนออะไรอย่างนี้หรือว่ากําหนดอยู่ที่ประสาทตาอย่างนี้ไปตัดวงจรการทํางานของจิตทิ้งไปเฉยๆอย่างนี้ไม่ดีเป็นการแทรกแสงแต่ถ้าตามองเห็นรูปแนละ้วสติปัญญามันไวเห็นเห็นเป็นแต่รูปไม่ปรุงต่ออันนี้วิเศษที่สุดแต่ถ้าตามองเห็นแล้วจิตมันแปรโอ้นี่ต้นไม้แล้วก็ให้ค่าว่าสวยเกิดราคาขึ้นมาชอบ ถ้ายัางรู้ว่ามีราคะชอบก็ยังใช้ได้นะไม่ใช่ว่าห้ามมีราคางั้นเล า, ลาเรากระทบอารมณ์นะปล่อยให้เขาทํางานตามธรรมชาติกระทบแล้วจะกระเทือนเข้าถึงใจก็ได้จะไม่กระเทือนเข้าถึงใจก็ได้แต่ห้ามไปเบรกมันนะถ้าไปกระทบทางตาแล้วไป AK, เบรกกําหนดไว้ทางตาส่วนมองเห็นนะใจมันจะทื่อๆนิดนึงนะเนี่ยกำหนดไว้อย่างนี้นะกําหนดมันจะไม่ใช่วิปัสสนามันคือการเพ่ง แต่ทาวิปัสสนาเนี่ยตามมองเห็นรูปแล้วมันจบลงที่รูปเลยไม่ปรุงต่อมิเศษที่สุดแต่ถ้ามันไปนแปลกความหมายนี่คืออะไรก็ไม่เป็นไรการที่จิตแปลกความหมายเนี่ยเป็นวิบากเป็ น, นกลไกปกติไม่ใช่กุศลหรืออกุศลพอแปลแล้วมันก็ตัดสินว่านี่ดีไม่ ด, ม ด, มดีเขาก็ตัดสินของเขาเองไม่ใช่กุศลอกุศลแต่พอดีแล้วเนี่ยยินดีพอใจนี่อกุศลเกิดแล้วนะพอเห็นว่ามันไม่ดี ก็เกิดโทสะขึ้นมานี่อากุศลเกิดแล้วปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ตรงที่กุศลอกุศลเกิดนี่เขาเรียกว่าชวนาจิตภาษาพิธรรมเรียกว่าชวนาจิตตรงชวนาจิตนี่เราก็ามีสติรู้ทันอีกจิตเป็นอากุศล น, นะเราก็รู้ทันอีกมันขึ้นวิถีอันใหม่วิถีที่เป็นอากุศลจะดับไปเลยเกิดเป็นวิถีที่เป็นกุศลขึ้นมาแท น, นสติปัญญาทํางานขึ้นมาแทนอากุศลดับไปทันที <S <S ค่อยฝึกนะดีแล้วแก้วค่าเห็นร่องรอยตรงที่ตามองเห็นเนี่ย มีจิตดวงหนึ่งเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณจิตจักขูวิญญาณจิตเป็นอุเบกขารู้สึกไหมเฉยเฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฉยเฉยนะมีอุเบกขาเวทนาเสร็จแล้วมันส่งสัญญาณมาที่ใจตรงที่มันส่งสัญญาณมาที่ใจเนี่ยมันส่งสัญญาณด้วยสัมปติชันนะจิตนชื่อเรียกยากไม่ต้องจําก็ได้พอส่งมาแล้วนะมันมาพิจารณาตรงนี้เรียกว่าสันติระนะจิตแล้วก็มันตัดสินให้ค่าตัวนี้เรียกว่โวททัพนาจิต เสร็จแล้วมันก็เลยเกิดกุศลนกุศลขึ้นมาเข้าไปสเสวยอารมณ์ตัวนี้เรียกว่าชวนาจิตนะเสร็จแล้วมันขึ้นมารับรู้อารมณ์ได้ชัดอยู่ช่วงเนื้อจะเบลอบลอไปตัวนี้เรียกตะทารำมานาจิตรู้สึกแม่มจะเบลออยู่นิดนึงแล้วก็ขาดแวบลงไปนะดับจิตลงผวังครั้งใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นวิถีขึ้นมารับรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูเราเลือกไม่ได้จิตจะรู้ที่ตาหรือรู้ที่หูหรือรู้ที่ใจเราเลือกไม่ได้เขาขึ้นมาเองนะ เราจะดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นเลยเขาทํางานของเขาเองไม่ใช่ตัวเราเนีย่ยค่ยฝึกนะแล้วเราจะเห็นจริงๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือเวลานอนค่ะเหมือนที่ถามหลวงพ่อเมื่อวานคือตอนเด็กๆครั้งแรกตอนปอนหนึ่งแก้วได้ไปพบหลวงปู่คาดีคุณแม่พาไปก็ฝึกนั่งสมาธิอเสร็จนั่งแล้วก็นอนไม่หลับหลวงปู่ก็ให้เลิกนั่งแั้งแต่นั้ น, นต้นมาก็ไม่ได้นั่งเป็นเรื่องเป็นราวอีกแต่เดี๋ยวนี้ค่ะบางครั้งเวลาที่จิตมันสงบช่วงที่ใกล้ๆจะหลับนะคะ อย่างบางครั้งตอนใกล้จะหลับมันเหมือนมันเห็นไหลไปกำลังจะตกสุพวังแต่บางครั้งแก้วก็โซนหาเล่นเหมือนยังหยุดหยุดบ้างปล่อยบ้างแล้วก็แล้วสุดท้ายก็เล่นไปสองสามทีก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยปล่อยให้หลับไปเลยไม่งั้นจะต้องตื่นเลย ا ه ا ه แต่มีบางครั้งมีหนนึ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรคือจะรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงค่ะตกเร็วมากแล้วไม่หยุดสัทีแล้วกลัวมากเลยไม่ต้องกลัวนะเวลาที่เราหัดดูเข้าดูออกอย่างนั้นอะ มันคือการทำสมถะเหมือนกันจิตมันรวมนี่ตรงที่จิตรวมเนี่ยยังไม่ชำนาญ น, นะเหมือนตกเหวหล่นวูบลงไปนะพอวูบลงไปกลัวมันเด้งขึ้นมาเลยไอ้เหอน่น้นี่คือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นั่นแหละธรรมะกลัวมากเลยเออกลัวเห็นไมกลัวรู้ว่ากลัวไป <c oughs> แต่ต่อไปพอเราทำสมาธิชำนาญ น, นะลงนิ่มๆลงนิ่มๆเหมือนนักบินหัดชำนาญแล้วลงนิ่ม นักบินไม่ชนานาญนะลงโครมโครมกระโดดเคยเจอไหมเลบินกระโดด <laughs> ได้ฝึกอย่างนั้นแหละโอเคคือรู้สึกว่าทั้งชีวิตมันจะมีโมหะรองพื้นอยู่ตลอดเวลาเออให้รู้ไปอย่าไปเกลียดมัน <c oughs> มันอยู่ที่แบบจะมากจะน้อย <c oughs> อเก๋ก็ต้องเคลื่อนไหวเยอะๆไว้กระดุกกระดิกเคลื่อนไหว <c oughs> ไว้แล้วเวลาปฏิบัตินะคะบางทีเกยไม่รู้ คือบางทีเราอยากที่จะมีสมาธิแล้วพยายามที่จะนั่งเหมือนอารมณ์เดียวอะค่ะแต่พอจิตเขาไม่ยอมคือมันหมายคําว่าอยากจะออกมารู้มากกว่าที่จะออกมานิ่งแบบนี้คือบางครั้งเราจะคิดว่าเอ๊ะเราขาดสมาธิไปไหมแต่พอเราจะนั่งมันก็ไม่ยอมอ่ามันเราไม่บังคับมันหรอกค่ะนั่งก็นั่งดูเล่นๆไปคือเราเร า, เราก็จะไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าอะไรคืออะไรไ ม, ไม่ต้องเลยน ะ, ะถ้าเราอย่างเราดูจิตดูใจอยู่แล้วจิตมันเหนื่อย มันจะเข้าพักของมันเองมันรวมเองไม่ต้องไปเจตนาเหมือนอย่างที่แก้วทำมันดูไปดูไปพอมันเหนื่อยนะ้นจะลงพักแต่มันลงไม่ชำนาญมันลงพุ่มลงมา <c oughs> อ่างว่างไงพุ้งกระจายเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนอนไปได้ประมาณสามทุ่มกว่าจนถึงห้าทุ่มครึ่งไม่หลับอีกเลยค่ะจนจนตีห้าสิบนาที ก็งีบไปได้นิดนึงโมทนานะโมทนาทำความเพียรได้ทั้งคืนคิดว่าหลวงพ่อต้องทราบอะค่ะทุกคืนเลยค่ะต้องคืนแรกตื่นตีสองก็ไม่ได้หลับเลยก็เดินตลอดนั่งแต่นั่งไม่ค่อยได้นั่งไม่สบายขนาดเดินเราก็เดินเนาะแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนวานกับเมื่อคืนก็นอน3ามทุ่มกว่าติเอ่อห้าทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยค่ะ ก็ไม่หลับอีกเหมือนกันก็เดินทั้งคืนนั่งทั้งคืนดีแล้วนะสวดมนต์ไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วเราก็นอนมาเยอะแล้วเราก็ใช่เดินนั่งนั่งบ้างก็ดูจิตบางทีก็มีทั้งอะไรนะคะราคะโทสะโมหะบางทีก็สนุกอะไรเงี้ยค่ะก็ไปตามเรื่องตามราของเขาเพื่อไปค่ะดีแล้วเห็นไหมเขาทํางานเองเห็นไหมเราบังคับเขาไม่ได้ สั่งให้หลับยังไม่ยอมหลับเลยอ่าใช่ใชค่ะเนีย่ยดูอย่างนี้นะแบบดูขอหลวงพ่อช่วยหน่อยเถิดขอให้ลูปหลับถ้าครึ่งชั่วโมงก็ยังดีงนะอ่างเงี้ยหลวงพ่อช่วยไม่ได้ <laughs> ขอเทพดาฟารักช่วยหน่อยเถอดแบบมันไม่หลับยังไงก็ไม่หลับคื อ, อ, อ, อคือเราอยู่ที่นี่นะแต่บ้านอยู่กรุงเทพ嘛ในกรุงเทพเนี่ยออกซิเจนน้อยบ้านนอกเนี้ยออกซิเจนเยอะนอนไปเดี๋ยวเดียวก็อิ่มแล้วนะ เพราะงั้ น, นอนมันอิ่มแล้วมันไม่นอนแล้วเป็นเรื่องปกติแต่ดีใจจังเลยค่ะได้ได้มาปฏิบัติเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะคะอยากมาอีกเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้ว่านารกมีจริงเห็นไหมนอนไม่หลับก็ทุกนะทุกค่ะทุกอยู่ที่ไหนอ่ะตัดใจเขาทุกอยู่ที่กายกับใจของเราเพราะงั้นไม่ว่าเราจะไปขึ้นสวรรค์นนะเราก็ยังเอากายเอาใจไปด้วยก็เท่าเราแบกทุกข์ไปด้วย ไม่ว่าเราไปที่ไหนเราก็แบกทุกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราหนีทุกไม่ได้ให้เรารู้ทุกไปด้วยอยู่บนสวรรค์มาอยู่วัดแม้สงบสันติบางช่วงบางเวลานะเช้าเ้ า, าก็สวยนะบางคนมาบอกยังก็สวิตเซอร์แลนด์ไ่ถวไม่ลืมตาดูมันมีต้นไม้ซะที่ไหนภูเขา <laughs> มันสุขแค่ไหนก็ตามนะรู้กายรู้ใจไปอะได้อีกคนหนึ่งอะาดไป ตื่นมาก็เห็นแต่ความอยากค่ะวันนี้เข้าห้องน้ําก็เห็นว่าตัวเองอยากไม่อยากอะไรค่ะถือถ้าเราเห็นความอยากได้ชาติเห็นความอยากได้บ่อยนะเอาความอยากนี้มาเป็นอารมณ์กรรมาฐานเราก็จะเห็นในจิตเราเดียยเด๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากไหมจิตมีสองชนิดา้จิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากหมุนเวียนไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้อันนี้เรียกว่าจิตมีราคาใช่ไหมใช่จิตอยากก็คือจิตมีราคะตัวตัณหาเนี่ยเป็นราคะ องธรรมของตัณหาคือราคะแล้วหลูก็เผลอไปเดินจงกรมตอนเช้าค่ะแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยเผลอคือเผลอไปก่อนนะคะเดินจงกรมแล้วมันไม่ได้เหมือนเมื่อวานนะคะเออดีแล้วก็วนะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันอยากนี่นะ อ, อยากให้เหมือนเมื่อวา น, น, น <ะ S 1> ไม่มีประโยชน์แล้วไปเดินคราวนี้เ<อ>ดินคราวนี้แล้วรู้ทันตัวเองว่าเดินด้วยความอยากแล้วเดินต่อไปความคิดปรุงแต่งเวลาเราเดินบางครั้งมันห้ามไม่ได้มันทั้งหลงและไหลอย่เงี้ยบางครั้งหลูก็ไป ไ ม, ไ, ม ไ, มมไม่ใช่บางครั้งอะทุกครั้งอะห้ามไม่ได้นะเพราะว่าเราบังคับไม่ได้จริงคือถ้าจิตเขาจะตั้งหรือไม่ตั้งก็เรื่องของเขาก็เรื่องขอ ง, ของเขาเราตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเขาไปเราตามดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเรางนั้นไม่ได้ตามเพื่อจะบังคับให้ได้ทําไมมันเต็มไปด้วยความอยากอะคะ่ะอย่างเขาวานหรือเห็นอะไรไหวๆหรือก็ไปดักเขาทั้งวันนะคะเหมือนอยากตลอดเวลา เราเคยสะสมของเรามาอย่างนั้ น, น, นจิตนั้นมี<ห>อนุใสจิตมีราคาใช่ไหมใช่เรียกราคาอนุใสเราต้องก็ดูไปน่าดีฉลาดนะ <c oughs> จะถามให้เราจะต้องทำยังไง <c oughs> แล้วเบรกทันเบรกเนียนนะ <c oughs> เชิญคือนุถมัศนกด์ของพอ่อไม่ได้มาสนาดตอนนี้บังคับอยู่นิดๆ น, นะครับพ่อในชีวิตประจำวันก็ เดี๋ยวนี้เห็นอะไรมันเหมือนกับเห็นเป็นแค่วัตถุอะฮะไม่ได้เห็นเป็นคนสัตว์อะไรนั่นแหะเราเห็นรูปแล้วนะพอเราเห็นรูปแล้วก็ถอดถอนความเห็นผิดว่ารูปเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครับถ้าเราเห็นนามถูกต้องนะเราก็ถอนความเห็นผิดมานามาทําทั้งหลายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถอนที่แรกบางคนปฏิบัติคราวแรกที่เห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราเกิดความกลัวก็มีนะบางคนกลัว บางคนรู้สึกเบื่อบางคนรู้สึกโงงโงหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เวิ้งว้างไปหมดโงงโงงเวิ้งว้างอันนั้นเป็นอาการปกติภาวนาไปช่วงหนึ่งก็จะกลัวบ้างเบื่อบ้างกลัวอะไรกลัวที่ตัวเราหายไปเบื่ออะไรเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะของที่ดีที่วิเศษที่สุดที่รักที่สุดคือตัวเองนี่มันหายไปมันหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยรู้สึกโงงโงงเวิ้งว้างนะ อันนี้เป็นอาการปกติถ้าเกิดเราก็รูปต่อไปในที่สุดจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตไปสู่ความเป็นกลางเราก็รู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางมากขึ้นมากขึ้น mm hmm. เห็นปัญญามันจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยสุขทุกดีชั่วเลยเสมอกันไปหมดเลยเพราะว่ามันชั่วคราวทั้งหมดนะพอใจเราเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่เขาพอเขาอิ่มเนี่ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้น เราภาวนาเนี่ยเพื่อวันหนึ่งใจของเราจะอิ่มเมื่อเรากินข้าวนะเรากินไปเรื่อยๆกินไปถึงจุดหนึ่งเราจะอิ่มร่างกายมันจะอิ่มเองเราภาวนาไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจของเราเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตเขาจะอิ่มเองอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะ เ, เดี๋ยวเชิญไปกินข้าวนะให้อิ่มก่อนนะแล้วก็มาดูใจให้อิ่มนิมนต์ครับนิมนต์